เทพสัมภาษณ์สัมภาษณ์วันมาคะ บ, บูชาและวันสำคัญของสมเด็จพระสังฆราชสัมภาษณ์หลวงปู่ล่าเขมัปะโตวัดบรรพตคีรีภูเจ้ากอกิอกงอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเทวีพลายบัวผู้สื่อข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นเป็นผู้สัมภาษณ์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันที่สองมีนาคม เป็นวันที่มีความหมายความสําคัญของพุทธศาสนาของเราเป็นวันมาฆบูชาโอกาสนี้ก็ขอนมัส ก, การพระเดชพระคุณหลวงปู่ล่าเขมประโตวัดบุพุทธคีรีภูเจ้าก็เกี่ยงเพลนองสูงจังหวัดมุกดาหารได้ปรารถถึงความสําคัญของวันมาฆบูชานมัส ก, การค่ะวันมาฆบูชาเป็นวันที่โบราณอาจารย์ฝ่ายพุทธประศาสนา คารบนับถือว่าเป็นวันตรงกับวันของสมเด็จพระพุมีพระภาคเจ้าปรองอายุสังขารที่เวรุวันอันเป็นวัดป่าสนวนไม้ไผ่อันเป็นที่อยู่แห่งพระเต ท, ที่พระเจ้าเพ็ญพิาสารทรงถวายการปรองอายุสังขารนี้นั้นมีความหมายว่านับแต่วันเพียเดือนสานนี้ไปจนถึงวันเพียเดือนหกข้างหน้านี้เราสถาคตจะปริมิพานที่สารวันทยานหน้านทิศบูรพา ของเมืองกุธินาราระหว่างนางรังทั้งคู่นั่นเองเพราะถึงวาระแล้วจะหลกเลี่ยงก็ไม่ได้และวันที่พระองค์ปงอายุสังขาร น, นี้ก็บันดาลเป็นวันจัตรงคสันนิบาตพร้อมด้วยสาวกอรหันหนึ่งพองหบองค์ล้วนเป็นพระภิกษุอรหันต์บวช ด, ด้วยเอหิภิกขุประสัมพทาไม่ได้นิมนต์นัดหมายกันต่างก็บันดาลมุ่งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ มารวมกันที่เวรุวันอันพระเจ้าพิมพิชารถวายไว้ดังกล่าวแล้วนั้นอันเป็นเวลาสายันตะวันบ่ายวันเพ็ญเดือนสามพระจันทร์เป็มรวงเรียกว่ามาฆบุณนาเมีพระบรมศาสด า, าก็ทรงประชุมส่์แสดงพระโอว า, าทปาะฏิโมกใจความในพระปฏิโมกถ้าจะย่นลงสั้นก็ได้ความว่าการละบาปบาเพ็ญบุญและ ทำจิตให้ยิ่งในการละบาปบำเพ็ญบุญเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายดังนี้และอีกประการหนึ่งในวันมาฆนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นวันสำคัญของสมเด็จพระสังฆราชเพราะพระชนมายุขององค์ท่านครบเกสพระพรรษาเป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะลำลึกถึงพระเดชพระคุณขององค์ท่าน เพราะองค์ท่านเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาวไทยมานมนานเป็นคู่กับพระมหากษัตริย์มีพระคุณยิ่งใหญ่ไพศาลนับว่าเป็นประเทศที่สงควรยิ่งถูกตามมงคลสูตรแล้วก็ว่าได้เพราะอยู่ในประเทศอันสงควรอันเป็นประเทศที่มีพุทธาตศาสนาและมีพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งมี สะสมเด็จพระสังฆราช ด, ด้วยผู้เคารพรักชาติพุทธศาสนานี้มักจะเป็นอารมณ์ที่มีขอบเขตไม่มุทะลุจนหลงเจิง้งพอพูดกันได้จนรู้จักความหมายในสิ่งที่ชอบทำสาูปวันมาคบโชาลงมาที่รวงใจเตือนใจให้ทำดีทำมาหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเว้นอบายามุขทุกประเภทเสียแบ่งเวลาออกปฏิบัติศีลธรรม แต่ละวันแต่ละคืนไม่ให้เสียเวลาไปเปล่าเพราะทีวามีเวลาน้อยหายใจออกแล้วไม่กลับก็นับว่าตายตามสมมุติแต่ไม่ยอมตายจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ท่านผู้ฟังคะการที่ผู้สัมภาษณ์ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์หลวงปู่ล่าเขมะปโตวัดปันพศคิรีภูเจาก็กิ่งอำเภอหนองสูงนั้นก็เนื่องจากว่าได้เคยปารภ เรื่องนี้กับคุณครูตริีทาเนียมขำคุณครูตริีทานเนียมขำซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายคาราวาสของวัดปักน้ําภาษีเจริญหลวงพ่อสดหลวงพ่อมงคลเทพบุนีคุณครูตรีทาก็บอกว่าถ้าจะไปสาะสแสวงหาหลวงปู่แล้วหลวงปู่ก็คงจะอยู่แถบจังหวัดสกลนครแถบมุกดาหารอยู่แถบภูเขาแล้วหลังจากนั้นผู้สัมภาษณ์ก็เลยมามีโอกาสมาที่วัดแต่ก็ต้องแปลกใจว่า เอ๊ทำไมได้พบกับมีทั้งพระฝรั่งแล้วก็มีทั้งบรรดาญาติโยมมาปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวเป็นคุณหมอก็มีเป็นในช่างเป็นวิศวกรน า, นานาอาชีพ อ, อยู่โรงพยาบาลรามาก็เยอะก็เลยทราบว่าท่านมาที่วัดภูเจกะ น, นี้ได้อย่างไรซึ่งเราอยู่ภาคตนออกเฉียงเหนือเราก็ไม่รีมีโอกาสมาอย่างนี้ท่านเหล่านั้นก็ตอบเราว่า จากการที่ไปเคารพครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่เทศเที่ทางด้านจังหวัดนนทบุรีหรือเป็นหลวงปู่มหาบัววัดบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีนั้นก็บอกว่ า, าแล้วนอกจากนี้ก็ได้มีโอกาสไปฟังธรรมะได้ไปปฏิบัติกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหว น, หวนก่อนที่นิพพานท่านก็เคยปรารภว่าใครสนใจปฏิบัติธรรมะให้มาหาหลวงปู่ล่า เขมปัพโตที่วัดภูเจาก้อจังหวัดบุกดาหารดังนั้นก็คณะต่างๆที่มาปฏิบัติธรรมก็เลยได้มาพบกันที่วัดของหลวงปู่ล่าเขมปัะโตวัดพุทธีรีภูเจาะแต่ที่ผู้สัมภาษณ์ไปสะดุดกับคำที่กล่าวที่เขียนไว้ที่ผนังของถ้ำว่ามาขอเลขเท่ากับเขหหัวพระก็เลยเนื่องในวันนี้ก็เป็นวันที่ มีความหมายความสําคัญของพุทธศาสนาแล้วก็ยังเป็นวันที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกของเรานั้นเนี่ยทรงมีพระชนพรรษาเก้ 90, าสิบพรรษาแล้วก็เป็นพระสังฆราชที่ได้ยืนยาวมาถึงสิบสี่พรรษาแล้วก็อยากจะขอนมชาการให้หลวงปู่ล่าเขมมปัตโตวัวดบรรคตคีรีภูเจ้าก็ได้ เทศธรรมะให้กับพุทธศาสนิกชนได้ฟังธรรมะของหลวงปู่ในวันที่มีความสำคัญในวันนี้ด้วยเถิดขอนามาส ก, การค่ะเนี่ยแท้จริงมนุษย์ทั้งหลายในโลกถ้าหากว่าต่างก็เอาความดีออกมาต้อนรับกันแข่งกันไม่เอาคำปั้นและสาตราอาวุธมาแข่งกันแล้วโลกนี้ก็เต็มไปด้วยยิ้มแย้มแกมใสทุข์กานบานใจมีศีและผิวพรรณวันณนะอันสดชื่น เวรภัยก็ลดน้อยเสียงปืนคือเสียงตายก็จะสงบมากหรือไม่มีเลยไม่ว่าแต่เท่านี้ถ้าชาวโลกพากันบริบูรณ์ด้วยสินห้าแล้วโลกก็ไม่ต้องร้องเรียกหาความสุขเลยถ้าหากเหินห่างสินห้าแล้วความสุขจะมาจากประตูใดเล่าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกแล้วเสียงสาบแช่งร้องไห้ร้องหม่มเสียงปืนและเสียงระเบิดจะแทนเสียงสวัสดี น้ำตาและน้ำเลือดจะเป็นน้ำล่างหน้าปลิ่นของโลกก็คือกลิ่นเหม็นเพราะเผาฝังไม่ทันอะไรต่ออะไรอนลำมานโกลาหุนในทางมหาเดือดร้อนแทๆ้ๆปารอบน้อยไม่พออธิบายปลารอบหลายก็กินเวลานา น, านขอให้พี่น้องร่วมโลกชาวพุทธช่วยพิพจรารณาเถิดช่ายพอสังเขตนี้ด้วยเดชพระพุทธศาสนา จงเป็นสุขทุกทว่าหน้าทั่วทั้งไตรโลกาอยู่ทุกเมื่อเทินคติทมย่อต่อท้ายหมู่มากกลากไปทางดีก็ยิ่งดีทวีคูณหมู่มากกลากไปทางชั่วก็ชั่วลงจมดิ่งไม่ควรนอนใจในวัฏะสงสารจงมุ่งพระในาพานเป็นอาหารของเจตนาปฏิบัติธรรมอันดีเป็นมรดกพรีไว้ให้ใหลูกหลานเดินตามมรดกเป็นมรดกงามก็คือทรัพย ภายในนั่นแหลทราบภายในหนึ่งศีลรักษากายวายกา้เรียบร้อยสองหิน ล, ละอายต่อบาปสามอดตะปะสะดุ้งกลัวต่อบาปสี่พาหูสัจจะความเป็นผู้ได้ทรงทำทีนิปพาวิทยามาห้ายาคะสละสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นหกปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นแเป็นประโยชน์ เก็บให้ทานโดยกอรบคือเอื้อเฟื้อแก่ของที่ตัวให้และผู้รับทานนั้นไม่ทํามการดุดทิ่งเสียคือพอใจรับสิ่งที่เกี่ยวกับโลกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอยู่บ้างคำสอนของพระพุทธศาสนาทำให้โลกอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วถ้าหากโลกโลกมีสิ้นห้าบาริบูรณ์แล้วการลบลาข้าฟันกันมันก็ไม่มีโซ่ตรวนก็ไม่มี ขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเพราะบริบูรณ์ด้วยศีลห้าแล้วกนหมายก้นหมู่กนพักก้อนพวกก็ไม่ได้ตั้งมากเพราะมีความยาะอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปแล้วความกลัวต่อบาปและความละอายต่อบาปนั่นเองจะเป็นที่ปกครองโลกนี่ิรืความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปนั่นเองถ้าไม่ละอายต่อบาปไม่กลัวต่อบาปแล้วทําความลับในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่มืดถ้าละอายต่อบาปแล้วก้นหมายก้นหมู่ก็ตั้งอยู่ อู๋ของธรรมก็มีนาคำหนึง่งก็มีที่พึ่งอีพิงอิง อ, อ, อาศัยถ้าไม่มียางอายตอบบาปแล้วกฎหมายที่ใดก็ตั้งไม่อยู่เมตเณรคำสอนของพระพุทธศาสนาจึงเป็นของที่มีค่าอยู่ทุกยุคทุกสมัยช่างไม้จะดีเด่นสักเพียงใดก็ตามก็ต้องอาศัยดิ่งเป็นสารตัดสินเป็นสารอายการฉันใดก็ดี ใครจะเรียนกฎหมายกฎหมายูกฎหพักกฎหพวกมาจากประเทศไหนๆก็ดีถ้าสิ่งไหนที่มันปีนเกลียวคําสอนของพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเพราะมันไม่มีดิง่งเพราะมันเป็นโลกาธิปไตยมันเป็นอัตตาธิปไตยไม่เป็นธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยนั้นจะปกครองโลกอยู่ได้ไม่ใช่อัตตาธิปไตยไม่ใช่โลกาธิปไตยถ้าเห็นโลกเป็นใหญ่ถ้าโลกไปทางดีก็เป็นการดีถ้าโลกไปทางชั่วก็ตกเหวกันหมดเพราะไม่มีสารยุติธรรมสารยุติธรรมคือคําสอนของพระพุทธศาสนา คำสอนของพุทธศาสนาเป็นธรรมอาทิตยไตมีหลักคือสินห้าเป็นหลักของประเทศชาติบ้านเมืองและชาวโลกจะอยู่เย็นเป็นสุขก็เนื่องด้วยมีสินห้าถ้าชาวโลกไม่มีสินห้าแล้วความอยู่เย็นเวีนสุขจะมาจากประตูไหนนี่ข้อนี้สําคัญมากขอให้ชาวโลกทุกต้นหน้าทัทางไซโรกาจงพิกณาช่วยเถิดนั่ละทีรูปบางต้นเรารูปฏิบัติรูปท่ามกลางเราปฏิบัติยิง่งรู้สุดท้ายเราปฏิบัติยิ่งชอบแล้ว เไม่ติดอยู่ในเงืนทางสามอีกด้วยเราจึงปัญญาณตนว่าภพใหม่ของเราไม่มีนักทิฏฐานิพุนพภาวติภพใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วอนย ม, มาชาตินักทิฏฐานิพุนพภโวติภพใหม่ของเราไม่มีอีกต่อไปแล้วการมอภ พ, ปป พ, อพอลูภภพอรุภภพของเราดับหมดแล้วเพราะเราไม่ยินดีในภพทางปวงปัญหาความทะเยอทะยานในโลกทางปวงของเราไม่มีเมื่อความทะเยอทะยานในโลก ต้องพัวของเราไม่มีทุกของเราก็มาจากประตูไหนอีกเล่าไม่มีที่มาบรมาสารีรายืนยันแข็งแกร่งเลยแต่เราก็ต้องไปตามแถวนั้นถ้ามาไปตามแถวนั้นก็ไม่ถูกเราเพราะเราเป็นจิตที่มีครูไม่ใช่ไม่ใช่จิตอัตโนมัติเพราะไม่ใช่พราอปัจเจกทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในตาท่องเที่ยวอยู่ในหูท่องเที่ยวอยู่ในจมูกท่องเที่ยวอยู่ในลิ้นท่องเที่ยวอยู่ในกายท่องเที่ยวอยู่ในธรรมารม เมื่อยังยึดถือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตเป็นบุคคลอยู่แล้วก็เกิดเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นวัตฏะวนเวียนกันอยู่ไม่มีที่สุดสิ้นกรรมปัจโยวิปากะปัจโยอาหารปัจโยเป็นอาหารของกิจของใจอยู่อย่างนั้นเขาเป็นใหญ่ในความจิจติดอยู่อินทะรยปัจโยคืออินทรีย์เป็นปัจจัยให้ติดอยู่เขาเป็นใหญ่ในการติดอยู่ในการไม่รู้เท่ากรรมเป็นจริง ไม่ปฏิบัติตามจริงด้วยไม่ลดพ้นตามจริงด้วยทัศนานุปตริยะเห็นเยี่ยมด้วยปฏิปทานุูตริยะปฏิบัติเยี่ยมด้วยนิมุตารุปตริยะความรุ้พ้นจริงจะเยี่ยมเป็นแต่เห็นเยี่ยมเฉยๆไม่ปฏิบัติเยี่ยมก็ไม่ไม่ลุดไม่พ้นปฏิบัติเยี่ยมก็จริงแต่เราปฏิบัติไม่ถูกเพจัดว่าเยี่ยมไม่ได้กินยาไม่พอไข้ก็ไม่หายกินยาไม่ถูกไข้ก็ไม่หายโรคก็ไม่หายเพราะวางยาไม่ถูก จะมียาซักเพียงไหนก็ตามแต่วางยาไม่ถูกโรค ก, ก็ไม่หายเราขี้เกียจมากเกิดแก่เก็บตายในวัดจ้าทงสารเราเห็นเต็มตาอยู่แล้วตาภายนอกก็ดีตาภายในเราก็เห็นคือตาสติตาปัญญาพิจารณาความตายสิ่งเดียวก็ได้กำลังใจพิาจารณากระดูกท่อนเดียวก็ได้กำลังใจพิจารณาพุทโธอันเดียวก็ได้กำลังใจพิจารณาลมหายใจเข้าออกอันเดียวก็ได้กำลังใจเหมือนกันมารวมกันหมดดึงกันมาได้ พอเห็นชัดพอให้เห็นอันหนึ่งชัดเราก็เห็นชัดไปหมดอันอื่นๆก็ต้องมองสายถ้าเห็นอันนี้จังชัดก็เห็นทุกขังชัดถ้าเห็นดินชัดก็เห็นน้ําชัดเห็นไฟเห็นลมชัดเหมือนกันดินน้ําไฟลมอยู่ใต้อํานาจอันนี้จังแล้วธาตุที่แปดอินทรีย์ที่สองก็อยู่ใต้อํานาจอันนี้จังแล้ว จกุธาตุลูกธาตุจกุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทถธาตุโสตวิญญาณธาตุภาณธาตุพันธธาตุภาณวิญญาณธาตุตูวธาตุกายธาตุวิญญาณธาตุมนธาตุธรรมธาตุมนวิญญาณธาตุสิ่งเหล่านี้อยู่ใตอำนาจในนิจังทานั้นเพราะว่าโลมศาสสดาไม่ได้สอนให้แบบไปนิพพานด้วยซึ่งไว้ในโลกเลยดังท่านกล่าวว่าพระลหั์ตายแล้วต้องเอาใจไปพระนิพพานด้วยกาวผิดนะ ถ้าเนปานอดอยากไกลหรือจังยังจะได้เอาไปจากโลกจากองศาลนี้ยเข้าใจไม่บรรยัญญติว่าเป็นเป็นใจใช่ไ้มพออะาหาันตายแล้วไม่บรรยัญญติว่าเป็นใจจะบรรยัญญติเป็นใจได้แต่แต่มีชีวิตอยู่พอลาหาันจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะบรรยัติได้ส่วนพอลาหาันตายแล้วเน่ยไม่ได้บรรยัญญติว่าใจใช่แล้วกลายเป็นธรรมันไม่ตายเพราะไม่สมชานละจะบรรยัญญติว่าใจเช่นไรก็ดีเมื่อเราแก่แล้ว ไม่สมฐานะที่จะเรียกว่าคุณหนูไม่ไม่สมฐานะที่จะเรียกว่าดอชอคือเด็กชายเด็กหญิงดอยเพราะไม่สมฐานะเพราะแก่แล้วชั้นใดก็ดีพระอรหารเข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่มัญญัตว่าใจมัญญาตได้แต่เพียงว่าทําอันไม่ตายอมตตังนิพยังคาตาคาตาแปลว่าถึงขะโตก็แปลว่าถึงถึงทําอันไม่ตายแล้วพยามกกะท่านเป็นผู้เห็นผิด พญ า, ามกะยืนยันว่าพระละหันตายแล้วศูนย์เออถ้าอย่างนั้นพระชายาบุตรคอยเธอหาพระลรหันในสกลลกายดูสิหาพระละหันในคันห้าดูสิถ้าเธอจะยืนยันอย่างนั้นทีนี้พระ ย, ายามกะก็หาพระละหันในคันห้าทีนี่นับแต่ผมขนเล็บควันน้ำเงื่ อ, อนกระดูกไปหาไปหามาอยู่นั้นนั่นก็เป็นแต่สภาวะผมขนเล็บควันน้ำเงื่ อ, อนกระดูกจนถึง รวมลงเป็นรูปขันแล้วไปหาเวทนาขันก็เป็นแต่สักว่าเวทนาขันและไปหาเนื้อหาสัญญาขันก็เป็นแต่สักว่าสัญญาขันไปหาวิญญาณความรู้ในทางตาหูจมูกเลื่อนกายจักกุวิญญาณโชติวิญญาณาณะวิญญาณจีวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณจักกุสัมผัสโชตสัมผัสคณะสัมผัสจีวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสจักกุสัมผสจชาเวทนาโชติสัมผัสชาเวทนาาณะสัมผัสชาเวทนา สัมผัสชาเวทนามนุสัมผัสชาเวทนาก็เป็นแต่สัตว่าสัมผัสเวทนาเนะทีนี้ไม่เห็นพาาระรหันใช่แล้วเป็นสัตว์แต่ว่าคลองนามลูกเท่านั้นไม่มีพาาระรหันอยู่ใ น, น, น, น, นที่นั้นเหตุฉะนั้นทีนี้เมื่อท่านหาไม่เห็นทําไมท่านยืนยันว่าพระรหันตาแล้วศูนย์เออก็ผมรู้ตัวแล้วทีนี้กต่ผมได้สําเร็จพาาระรหันด้วยแต่ผมจะไม่ว่าละที ถ้าหากว่ามีผู้ถามท่านจะตอบเขาอย่างไรภาษาไดบุตรถามย้อนมาอีกถ้าทหารายแล้วศูนย์หรือยังไงถ้ามีผู้ถา ม, ถามท่านจะตอบเขาอย่างไงก็ผมจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาที่ไม่เที่ยง ม, ม, มันดับไปแล้วก็ผมจะตอบอย่างนั้นเออดีระดีละดีล ะ, ละภาษาไดบุตรใจก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่พระนิพพานใจผู้ลู้ก็ไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานอยู่ภาคผู้ลูก ผู้ลู้เป็นหางนทางเข้าสู่พระเนรพลทางหาผู้ลูกใใลก็คือใจใจก็คือผู้ลูกถ้าใครยนยันว่าผู้ลูกเป็นพระนรพนเรารู้ดินไม่ใช่เราเป็นดินเรารู้ฟ้าไม่ใช่เราเป็นฟ้าเรารู้ไฟไม่ใช่เราเป็นไฟไฟก็เป็นแต่สักพ่อไฟลมก็เป็นแต่สักพ่อลมสมมติก็เป็นแต่สัคว่อสมมติสมมติก็เป iv ็นแต่สัาสมมิทีนี่อดีตก็ เป็นจะศักว่าอดีตอนาคตก็เป็นจะศักว่าอนาคตล่วงไปแล้วยังไม่มาถึงปัจจุบันก็เป็นจะศักว่าปัจจุบันใครเป็นเจ้าของอดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตใครเป็นใครเป็นเจ้าของปัจจุบันธรรมะชั้นลึกทีนี่ก็ว่างจากสัตว์จากบุคคลต้องทํากิจให้ว่างท่านบอกว่าจิตว่างในชั้นสมาธิก็ว่างอย่างหนึ่งจิตว่างในชั้นวิปัสสนาก็ว่างอย่างหนึ่งจิตว่างในชั้นหลุดพ้นแล้วก็ว่างอย่างหนึ่งคําว่าทําให้จิตว่างมันว่างหลายตอนเช่นพวก มีสิ้นห้าบริบูรณ์เขคิดว่างจากอันหนึ่งเขาจิดของเขาว่างจากฆ่าสัตว์จากชีวิตว่างจากรักรัพย์ประพตในกรรมว่างจากลืมสุราเมรัยแต่ธรรมะของเขาไม่ว่างธรรมะนั้นเขาปฏิบัติแล้วคนมักพูดก็ว่าจงทําจิตให้ว่างจงทําปิดให้ว่างใครก็ว่าได้พูดง่ายๆอย่างนั้นจิตว่ามันมีหลายขนะนี่ยจิตพระโสดาบันก็ว่างแค่นิดหนึ่งจิตพระสกทาคามีก็ว่างแค่นิดหนึ่งว่างจากราคะโทรศัพไม่มี ยิฐณนาคามีว่างไปหมดได้ราคะโทสะยิฐพระาหันว่างไปหมดจากทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะด้วยไม่มีเพราะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่เลยที่นั้นคนมาพูดกันว่าจงทําให้คิดว่าจงทําให้คิดว่าถูกอยู่ว่างจิตว่างมันมีหลายตอนก็เช่นพวกโจรพวกไรเขาก็ทําให้จิตเขาว่างแต่ทางบาปเขาไม่ว่างนะทางบุญมันว่างเสียแล้วไม่มีในเขา มันว่างจากบุญเข้าใจไหมพูดง่า <quas> ย <iment> <cassette tama> <guys>